ขอนโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพิสูจน์ในวันนี้จะนำเรื่องพรหมจรีสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการประพฤติพรหมจันทร์ก็ได้แก่การปฏิบัติความดีในชั้นต่างๆคำว่าพรหมจันทร์นั้น ท่านจำแนกว้าเป็นใหญ่ๆก็10ระดับเ้วยกันเป็นการเปิดโอกาสว่างให้คนทุกคนสามารถปฏิบัติตามสถานะตามกำลังของตัวเมื่อกล่าโดยสรุปก็คือการปฏิบัติอะไรก็ตามที่สามารถลดกิเลสลงไปได้ เพิ่มคุณธรรมความดีขึ้นมาได้ก็สรุปรวมว่าเป็นพรหมจรรย์เนการประพฤติประเสริฐในการชำระจิตใจอาการทางกายทางวิชาราให้ประนีขึ้นไปมนแม้แต่การให้ทานก็เป็นพรหมจรรย์สีท่าสีนุบสถศีแ8ก็เป็นพรหมจรรย์ หรือแม้แต่การที่สามีให้นอกใจปัญญาหรือปัญญาไม่นอกใจสามีก็เป็นพรหมจรรย์การปฏิบัติํารวมระวังในกามก็เป็นพรหมจรรย์พรบมิหารสี่ก็เป็นพรหมจรรย์สัจจะเองก็เป็นพรหมจรรย์แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ก็ทรงประรบแสดง ก็เป็นนัตยาัยของพุทธเจ้าเองที่ต้องการย้ำเตือนให้ผู้ปฏิบัติธรรมะได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ชีวิตในลักษณะนี้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรเราจริงแล้วมันก็เป๋ก็เผว ก, ก็ออกนอกทางก็แสดงว่าพรุมจรรย์ น, นี้เราไม่ใช่ประพฤติปฏิบัติเพื่อ ให้คนนับถือหมายความว่าทำความดีเพื่อให้คนนับถือเพราะไปกำหนดที่ที่คนอื่นจริงแล้วเราทำอะไรก็ตามเราก็ทำเพราะเราเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นความดีแต่ถ้ามองไปที่คนนับถือแล้วจะต้องดิ้นรนโด ย, ยวิธีต่างๆให้คนนับถือ แล้วทาไปตำมาบางทีมันไม่ใช่เป็นพรหมจรรย์เพราะาอยากให้คนนับถือมันเป็นโลภะพอเขานับถือเราก็อยากได้มากยิ่งขึ้นแต่เขาแสดงความไม่เคารพไม่นับถือเราก็เกิดทุกข์แสดงมากๆเราเกิดโทสะให้เองสังเกตนะมันจะหมุนวนอยู่ระหว่างทุกข์กับสมุทยัยท่าทิการปฏิบัติพรหมจรรย์ เป็นการลดละกิเลสลดละความทุกข์แต่ทําไปตามามาก็เพิ่มทังทุกข์ทางกิเลสหรือเพื่อต้องการให้คนรู้จักรู้จักว่าเราเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนอเราก็ต้องมีวิธีการที่จะโฆษณาประชาสำคัญอย่าในปัจจุบันนั้นระบบการโฆษณา ก็มีความสลับซับซ้อ น, นเป็นศาสตร์อีกอย่างหนึง่งตั้ไแต่มาบังครับบังคราวเขาก็มีความชั่วร้ายแข็งเรนอยู่ในเรื่องเหล่านั้นมากมายแต่แทนที่เราจะได้ผลเป็นความสุขความส ง, งบใจมันก็ไม่ได้หรือต้องการอานิสงค์คือลาบส ก, การะต้องการได้ลาบ ได้ผลประโยชน์ได้สักการะได้ความเคารพนับถือคือแต่ละอย่างนี่มั น, ม, นมันไม่ใช่วัตถุประสงค์เพราะพวกนี้มันเป็นวัตถุ ก, การมดีถ้าปฏิบัติความดีเพื่อวัตถุกรมมันก็จมดิ่งลงไปสู่กระแสของวัตถุ ก, กามแล้วก็ใช้ทุกอย่างเพื่อให้ได้ทั้งสิ่งเหล่านั้น เราสังเกตว่ากระแสะความคิดต่างสังคมในส่วนดีก็มีมากมายนะครับแต่ในส่วนที่เบี่ยงเบนออกไปมันก็อยู่กลุ่มคนจะไม่คำนึงถึงวิธีการในการได้มาซึ่งลาภสักสารชื่อเสียงหรือยศศักดิ์ตําแหน่งต่างๆแล้วขอให้ได้อะนะไปคิดแต่เรื่องจะได้แต่นั่นเองแต่ไม่นึกถึงวิธีการในการได้ มันมีการได้เป็นันมากที่ไม่ชอบไม่ควรที่เรียกว่าไม่ถูกต้องตามนนงรองธรรมแต่บางทีก็เลยเติดไปจนถึงเป็นเจ้าลัชชิหรือจะต้องแก้ต่างต้องโต้ตอบคนนั้นคนนี้อันนี้ก็มามาถึงหลักในพระสูตรที่ได้ทรงแสดงเอาไว้เนี่ย เห็นว่าการตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธิรือแม้จะโต้อตอบหักล้างกันในอคัญยสูตรแต่นันไม่ใช่ในประสูตรที่ว่าโดยการศึกษาเรียกว่าอารักขะทูปะมะปริยัติคือการเรียนรู้เพื่อจะต่อสู้เพื่อจะถกเถียงเพื่อจะหักล้างกันมันก็ต้องเถียงไงนะฮะ พอเถียงก็คิดมากคิดมากมกาฟุงางฟ้งซ่านฟุ้งซ่านก็ไม่สมรวมไม่สมรวมจิตมันก็ห่างจากความดีไป เ, เพราะฉะนั้นเวลาถูกเฉียงอะไรเนี่ยใจคิดกับปากพูดไปก่อนตอนไปแตมามันมือเท้ามันชักแกล้ะมือแกวงก่อนกิริยาท่าทางมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปบางทีก็ลุกขึ้นต่อสู้กันเราจะพบว่านั้นก็คือความดุแริ โดยการแสดงกิเลสเป็นการต้องการเอาชนะฆ่าขานกันโดยไม่ยุติด้วยเหตุผลด้วยความ ด, ดีแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมองนะฮะวางครั้งการชี้แจงก็จําเป็นจะต้องมีจช่ทรงแสดงไว้ในพระมัชฌาลสูตรจช่เรามีการกล่าวหาการใส่ร้ายป้ายสีประหัตันตรายต่างๆแต่ทรงวางหลักเอาไว้นะฮะคือ1เราได้ยินแล้วอยา่าโกรธ ถ้าเขากล่าวหาในทางที่ไม่ถูกต้องเราก็ชี้แจงเกิดความเข้าใจแต่ก็พูดถูกต้องเราก็อนมูทน า, าการกระทำทั้งหมดเดี๋ยมันเป็นประโยชน์ทั้งแกเราและแกเขาและแกศา ส, สนาเราเองไม่ได้โกรธแต่เขาโกรธนะฮะเขาตรง น, นั้นเขาเสียละ เราชี้แจเงเกิดความถูกต้องเขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับแต่เรารักษาความถูกต้องของศาสนาไว้แล้วถ้าหากว่าเขายอมรับเขาก็จะได้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวเราแก่พระศาสนาและแก่คนที่กล่าวรา้บิดเบือนโดยมีข้อแม้ว่าเราต้องไม่โกรธข้อแม้มันจะอยู่ตรงนั้น พอถ้าทำไม่ด้วยความโกรธแล้วเราเองก็เสียแล้วพอพูดด้วยความโกรธมันก็ไม่คเคยมีเหตุผลคนอื่นที่รับรู้มาก็เป็นการรับรู้ในเรื่องที่ไม่ถูกต้องโดยการจะตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธิต่างๆนี่นก็ไปใหญ่มันก็แบบพระเทวทัตนะฮะคือคือพวกพวกนี้พวกไม่มีความสามารถในตัวเองแล้วก็ ใช้รูปแฝงเส้นนิทานนิศบที่เล่าเรื่องหมาจิ้งจอกเอานังราชสีมาสวมมันก็แนวเดียวกันคือหมายความว่าโดยสถานะของตัวเองแล้วไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นได้หรอกมันก็ไปหาหนังราชสีมาสวมเข้าใน ต, ตอนไม่ร้องไม่อะไรมันก็มันก็พอดูได้ะนะแต่ประสงเสียงมันก็เป็นหมาจิ้งจอกอย่างได การบัติในแนวนี้ก็คือการหลอกลวงแต่ใช้ชื่อใช้นามใช้สถานะของคนอื่นมาเป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์เพื่อตัวเองเป็นการิบัติที่เราเรียกว่าลวงโลกเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการกระทำความดีที่เรียกว่าการปฏิบัติพรหมจารยีรการปฏิบัติพรหมจาร ต่อก็ทรงตั้งปัญหาและทรงัยเองนะฮะทรงตอบเองว่าถ้าอย่างนั้นเราประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรอย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายมาสื่อสื่ว่าไม่นานเท่าไหร่นะฮะว่าเนื้อหาในการบวชเนี่ยคำว่าบวชเนี่ยที่จริงมันไม่ได้เจาะจงมาต้องบวชเป็นพระครับมันเป็นชีวิตพรหมจรรย์แล้วโดยเนื้อหานี้มันอยู่ที่จิตมไม่ได้อยู่ที่กาย แต่เราไม่มีความพร้อมไม่มีความสมัครใจหรือไม่มีความพร้อมเราก็บวชที่ใจเราคำอ้าเนื้อหาการบวชมก็มีอยู่สามคำก็คืองสาสัญญโมธโมอิงสา ค, คือการไม่เบียดเบียนสั ญ, ญโมก็คือการสํารวมระวังธโมก็คือการฝึกการรู้จักห้ามใจตัวเองข่มใจตัวเองเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้น อย่างนี้ก็เป็นพระพุทธเจา้าแล้วนะแล้วก็เป็นเป็นการบวชแล้วเป็นการบวชที่ใจเพราะพระรพุทธเจ้ามักจะมีแนวโครงสร้างเดียวกันโดยใช้คำสี่คาภาษาจะต่างกันนิดหน่อยนะแต่เนื้อหานี้จะเหมือนกันคือหนึ่งเพื่อสังวรคือสํารวมระวังปานะคือเพื่อการหลัก วิราคะก็เพื่อคลายกับนะั่นในโรธะก็เพื่อดับตอนลงก็มีคําสี่คำอันนั้นสามคำนะอันนี้สี่คำแต่ที่จริงเหมือนกันแนะนี่ก็คือเนื้อหาในการปฏิบัติจริงๆเป็นการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจของเรามันก็เหมือนกับที่พูดเรื่องการให้ทาในสาธุสูตรนะครับคื อ, คอทุกๆอย่างในที่จริงมันก็เป็นนะฮะ เป็นทานแต่ว่าทานจริงๆเนี่ยทานที่ให้จริงๆก็รู้สึกว่าเพื่อเป็นเครื่องประดับประดาจิตใจเราทําแล้วเรารู้สึกว่ากิเลสมันลดไปนะธรรมะเพิ่มขึ้นความสงบเยือกเกย็นก็เพิ่มขึ้นแต่เราก็ให้หมายความว่าประลบผลที่เราจะได้จากการปฏิบัติตรงนี้ แล้ว เ, เอาผลจากการปฏิบัติตรงนี้ไปเกื้อกูลแก่คนอื่นต่อไปก็แนวโครงสร้างของพระพุทธคุณนะเราจะเห็นว่าพระเจ้ามุ่งพัฒนาปัญญาความบริสุทธิ์พอถึงจุดหนึ่งพระไทยก็เกิดการรุณณาและเอาตัวกรุณานี่ไปทําประโยชน์แก่บุคคลอื่นก็นําเอาปัญญาความบริสุทธิ์เข้าไปใช้ในการเผยแพร่ในการสั่งสอนพระศาสนา ตัวเรื่องใหญ่จริงๆนะฮะตรงนี้ท่านเห็นว่ามันอยู่ที่สัญญาณอสังวระตัวเดียวคือความสํารวมระหว่ังตัวเดียวนอกนั้นคล้ายๆายกับเครื่องมือในการตรวจสอบคำว่าปหานะก็กดูการลดของกิเลสการละของกิเลสในตัวใหญ่ก็คือคอสังวระตือสํารวมสารวมจะมีอยู่หลายชั้นแต่ว่าที่ทั่วตัวไปจะแสดงไว้หชั้น คือสำรวมระหวังระดับศีลก็เรียกว่าศีลนสังบอนสํารวมระหวังระดับศีลก็ได้แต่ศีลใครนะฮะเมื่อสมาทานไปแล้วในขณะนั้นเราชื่อว่าเรารักษาศีลศีลถ้าจึงแปรหลายระดับระดับแรกก็คือเจตนาต้องการงดเว้นไม่กระทำเช่นนั้นอันนี้เป็นความจงใจเป็นความเจตนาเป็นเกิดขึ้นในขณะสั้นๆ แล้วเมื่อตั้งใจงดเว้นไปแล้วก็ต้องสำรวมระวังไม่ล่วงละเมิดในสิ่งที่เราตั้งใจงดเว้นไอ้ช่วงสำรวมระวังนี้นานสำรวมระวังจนต่อเนื่องกันไปแล้วถ้าทำไม่ได้ก็ตั้งต้นกันใหม่ก็นับหนึ่งกันใหม่เรยๆจนมันเกิดเป็นอาการอย่างหนึ่งจะเรียกว่าปกติกายวิจาเราก็ปกติ ในการเคลื่อนไหวมีการพูดมีการทำไปอย่างของผู้มีศีลแล้วมันมีใจที่สงบเย็นจย่น้อยก็สงบเย็นจากเวรจากภัยจากอันตรายทั้งหลายไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องมีตกกังวลกลัวว่าใครจะมาประทุษร้ายจะมาทำอันตรายเพราะเราไม่สร้างเหตุของความเดือดร้อนให้แก่ใคร การตรวมในชั้นศีลศีลแม้จะเป็นเรื่องอาการทางกายทางวาจาก็จริงแต่การสำรุจ ม, มันสำรุจที่ใจ ใ, ใจระมัดระวังไม่ล่วงละเมิดแล้วเวลาท่านเรียงที่ท่านเรียงเป็นอริยการตรีเนี่ยก็เรียงประนีขึ้นไปอีกว่าจะต้องไม่ขาดจะต้องไม่ทะลุจะต้องไม่ด่างจะต้องไม่พร้อย แล้วจะเป็นการรักษาอย่างมีอิสระรไม่ใช่ถูกจ้างถูกวานถูกคม่มคูถูกบังคับถูกขอร้องให้เรารักษาในตอนตอน้ตนๆอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ว่ากันแต่มันต้องลอยตัวเป็นอิสระเหมืนคล้ายๆกัเราอาศัยพระเครื่องในตอนต้นๆเนีอนอย่ยนะก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะแต่ว่าควรจะมีพัฒนาการทางจิตวินญาณ ไปถึงจุดหนึ่งก็เอาพระพุทธรูปคร้องคอพระธรรมคล้องใจแล้วก็มีเฉพาะพระธรรมคล้องใจก็ชื่อว่ามีครบหมดเพราะพระพุทธเจ้ารับรองผลรับรองผลที่พระธรรมนะพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมที่ประพฤติดีแล้วจะนําสุขปักให้ผู้ผู้ประพฤติธรรมจะอยู่เป็นสุขเป็นต้นเนี่ยนะฮะธรรมจะอํานวยประโยชน์สุขให้แก่โลกนี้และโลกหน้ามันมรับรองที่ตัวพระธรรม เพราะว่าธรรมะคุณนั้นมีข้อที่นะโอปัญญิกคือเราต้องนำมาปฏิบัติตัวยังอุปมาความเมือก็ยามันจะให้ผลก็ต่อเมื่อเรานำมารับประทานแต่ตอนเราเป็นเด็กๆมันเกาะยิงธรรมดานะฮะต้องอาศัยผู้ใหญ่ธรรมดามันก็แสดงถึงวิธีภาวะ พอความเจริญระดับนี้ต้องเกาะ อ, อิงผู้ใหญ่ต้องเดินตามหลังผู้ใหญ่ต้องให้ผู้ใหญ่จูงต้อให้ผู้ใหญ่อุ้มก็ว่ากันไปก็ไม่ว่ากันแต่ถึงจุดหนึ่งมันต้องเดินได้โดยตัวเองไงคนมันแสดงถึง ว, วุฒิภาวะที่เพิ่มขึ้นดังนั้นทรงสอนให้มีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วก็มีตนเป็นทิพพึ่งหมายความว่าตัวเรานั้นต้องมีธรรมแล้วธรรมก็จะเป็นที่พึ่งได้ ในศีลเองก็ศีลจะเป็นที่พึ่งได้ก็ต่อเมื่อเรามีศีลการตั้งร้วนระวังก็เข้าไปถึงใจให้เราสังเกตว่าศีลเนี่ยทําเองก็ผิดใช้คนอื่นทําก็ผิดส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ที่ศีล ท, ทั่วไปนี่จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าศีลแปดเนี่ยจะแบ่งไว้ชัดเลยคือว่าสามข้อหลังเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะเราทําเองจึงจะผิดคนอื่นทําไม่ผิดเราใช้คนอื่นทําไม่ผิด เรารักษาศีลแปแต่เราให้ลูกหลานนอนบนที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นสำรีก็ไม่ว่าอะไรให้ดูการลเล่นก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้เกี่ยวเพราะเด็กไม่ได้รักษาศีล น, นี่เป็นการสํารวจระวังเฉพาะตนที่นี้ในการรักษาศีลมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่มันไม่ถึงขนาดนั้นมันไม่ถึงก็ไปล่วงละเมิด แต่โทษทที่มันเกิดขึ้นคือเพิ่มปริมาณกิเลส ข, ขึ้นว่าโอกาสต่อไปเนี่ยมีทางผิดศีลง่ายยังมีกา ร, รบัติอีกระดับหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอินเซียสองวรไปสำรวจระวังเวลาเห็นรูฟังเสียงเป็นต้นเนี่ยตรงนี้เจอเจอทุกทีนะฮะถามมันทไมเจอทุกที มันเป็นเรื่องชีวิตทั้งชีวิตอะคนเรามเป็นโลกสัมผัสโลกคนสัมผัสเราก็มีประสาทหกเนี่ยความดีความชั่วออกมาทางเนี่ยแต่ในชั้นนี้เขาพูดเรื่องความชั่วนะครับคือสำรวมระวังไม่ให้เกิดความยินดีความยินร้ายหรือความรักความจังหรือความอยากความความโกรธเพราะมันจะคืบคลานไปสู่ ไปเพิ่มปริมาณกิเลสได้ลองสังเกตนะครมันเพิ่มปริมาณกิเลสมันเหมือนกับเราไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าเนี่ยหรือแม้แต่เราเดินไปกางถนนอะไรก็ตามคือวันที่ความอยากมันไม่เกิดอะแต่เขาโฆษณาเขาเชิญชวนเอาอย่างงั้นอย่างนี้มันดีอย่างนั้นอย่างนี้ลดครึ่งราคาลดเสปอรแอร์เซตอะไรต่ไรเ น, นี่ยมันยั่วจนเกิดอยากเลย ยวดด้วยอะไรยวดด้วยตัวสินค้าที่นําเสนอยวดด้วยเสียงพูดเสียงพูดที่ปลุกราวใจเราเรื่อยๆนะเสร็จแล้วเราก็สูญเสียความเป็นตัวของเตียงเออเอาก็เอาเห็นไหมเออเอาก็เออนี่หมายความว่าเราก็หมดความเป็นตัวคนตัวละคนอื่นวินิจฉัยให้เสร็จโฆษณาบอกกล่าวชี้แจงให้เสร็จทีนี้ถ้าเราสำรวมระวังไว้เราคงเห็นเราคงได้ยินได้สำรวมที่ใจคือไม่ปรุงตาไม่คล้อยตามเข้าไป แต่เราเฉยๆแแล้วก็ไม่ได้เกิดความอยากอะไรท่านจะเห็นว่าตกลงมาประสาทสัมผัสตรงนี้มันก็มีอยู่สามคือตาทแทนเราหมดแล้วเราก็ตัดสินใจเลยตรงนี้ท่านก็สอนในรุปในรูปการสำรวจระวังอย่าคือไม่ได้แก้ที่ตรงตานะไม่ใช่ปิดตาปีนะัมันก็ปิดตาปาเดี๋ยวเดินหนุกล้มแต่ว่า เราแก้ที่ใจเราว่าไม่ให้เกิดความยินดีตามที่เขาโน้มน้าวชี้นำเพราะทำไนไม่จะเกิดกิเลสสายโลภะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้รำคาญเขานะฮะไปรำคาญนะไปด่าว่าเขาก็เพิ่มบาปอีกยุ่งอีกต้องลงต้องไม่มีทั้งยินดียินได้เพราะถ้าเราเกิดยินร้ายเราจะโกรธคนที่มาพูดมารบ ก, กวนเราก็เรื่อง เ, ออเพิ่มกิเลสนะฮะพอดีไม่ดีเราอาจจะด่าเขาอีก เราไม่ได้สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่เราและแก่คนเื่กการสำรวมระวังบางทีเนี่ยบาก็เรื่องชันช่างยุ่งนะครับที่านอุปมาว่าบางทีเนี่ยมันมันเราสำรวมเฉพาะที่ใจนะเพราะอะไรเพราะตาหูจมูกลิ้นกายที่จริงมันเป็นเพียงประตูทางเข้าของอารมณ์ตอนนั้นเอง แต่ ใ, ใจเรามีความมั่นคงเอาไว้หนักแน่นเอาไว้อารมณ์ข้างนอกที่มากระทบก็ไม่สามารถที่จะสร้างปัญหาอะไรได้หรือสร้างก็ได้น้อยเลยไม่ได้เลยนี่มันระดับพระอระหันนะฮะแต่ว่าทํำยังไงว่าให้มันสร้างได้ก็ให้น้อยหน่อยอย่ตกค้างอยู่ภายในใจมากเกินไป สํารวมอีกระดับหนึ่งเขาเรียกว่าขันติสังวรนะสํารวมได้ขันติคืออดกล้าอดทนอารมณ์ที่แรงที่สุดที่ออกทนมากที่สุดเนี่ยนะที่จริงมันไม่ใช่อะไรก็คืออารมณ์รักช่างนั่นเองที่อดกล้าอดทนได้ได้ยากมากๆากืออารมณ์ที่เราชอบกว่อารมณ์ที่เราไม่ชอบอารมณ์ที่เราไม่ชอบมันมันมันอดไม่ได้ที่จะ ที่จะไม่ชอบตอบไปแรงๆคือแสดงความไม่ชอบอารมณ์ที่เรารักก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความรักออกไปหรือความต้องการความปรารถนาออกไปแต่ถ้าออกไปแล้วมีปัญหามีปัญหาทั้งสองอย่างนะฮะแต่นั้นท่านก็สอนให้อดกลั้นอดทนในเรื่องอดทนเราก็เจอมาว่ามันก็มีอยู่สี่เรื่องใหญ่ๆความวิปริตของธรรมชาติ ความเหนื่อยยากลำบากในการปฏิบัติภารกิจการงานและก็ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นเมื่อประสบกับโรคภยคัยไข้เจ็บเปลียนๆตรงนี้ที่จริงพอตำนานนะฮะเป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่มีภัยธรรมชาติตลอดแต่ว่าอารมณ์รักชังเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเลยปัญหาว่าทนได้หรือทนไม่ได้อย่างใน สภาพปัจจุบันเราจะเห็นว่าการบีบคั้นทางอารมณ์นี่สูงมากออกไปข้างนอกทีหนึ่งเนี่ยถ้ารักษาใจไว้ให้ดีไม่ดีแล้วเนี่ยเก็บความโกรธกลางข้างถนนไปเยอะเลยรำคาญ ร, รถรำคาญคนรำคาญอะไรแต่ไม่ไรายไปก็ไปถึงก็ไปถึงบ้านแต่ที่จะนอนหลับก็งุดหงิดไปเลยทํายังไงจึงจะอดกลัน้นอดทนอารมณ์แ่บนั้นได้มันก็อยู่ที่การปรับใจของเรา ให้สามารถทนทานต่อลมหลบบนั้นบางทีก็มองในแนวของพระกุณณะที่ท่านมอกใช่ไมความว่ามีเรื่องที่แรงกว่านี้ก็ดีนะขนาดนี้ก็ดื่นก็ทนหนักมากกว่านี้อดจากหิวโหยขึ้นมาก็านึกถึงเอธิโอเปียซูดานอูการได้อะไร่ไน้นอะไรถึงเด็กๆแถวนั้นโซมาเลียอะไรนะแล้วก็มีคนที่เดือดร้อนมากกว่าเราจะ้ะ แล้วจนถึงคิดเรื่อยๆอย่างที่พระโมกข์พระโมกคร่ า, าท่านสอนในคิดเนี่ยมเจอร้อนหนักๆขึ้นมาท่านบอกไฟนรกมันร้อนมากกว่านีเน้เองแต่ร้อนขนาดนี้เราต้องทนให้ได้นะฮะเพราะว่าสัตว์นรกก็ทนไฟนรกได้หรือมองว่ามันมีอะไรยิ่งกัเก่เปลกดันั้นแบบแบบระพุนนะถ้าเขาด่าก็ดีกว่าเขาขว่างปาด้วยก็อนอิก แต่เขาขว้างปลาโดยก้อนอิดก็ดีกว่าเขาตีโดยไม่พรองแต่เ้าตีโดยไม้พรองก็ดีกว่าเาขาฆ่าให้ตายแต่เาขาฆ่าให้ตายก็ดีกว่าฆ่าตัวเองเพราะยังไงมันก็ตายอยู่แล้วมันก็มีความคิดที่จะปรับจิตให้ทนทาน ต, าต่ออารมณ์เหล่านั้นแต่อารมณ์เหล่านี้ที่จริงนะฮะถ้าเทียบระหว่างอารมณ์รักกับอารมณ์ชังเนี่ยอารมณ์ชงังในทนง่ายกว่าอารมณ์รัก เพราะไรเพราะว่าบางทีตัวมันโตรเราก็ไม่กล้ า, าก็ทําให้เราโกลัแต่ตัวเขาโตรหรือเขามีหลายคนเราไม่กล้าแสดงบรรสภาพไปล้อ ม, มันช่วยเยอะแต่ว่า อ, อารมณ์ยั่วยวนในจิตใจคนจะอ่อนไหวได้ง่ายและปัจจุบันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวมากนะเพราะาอารมณ์ส่วนใหญ่มันเป็นอารมณ์รุ่ยวน มันเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์เรื่องต้องการโน้มน้าจิตใจของบุคคลดอนนั้นให้เข้ามาเป็นพวกของตสนสนับสนุนกิจกรรมของตนแล้วก็เสริมสร้างความร่ำรวยแก่ตนเนี่ย น, นะฮะเพราะในผู้บริโภคก็จนลงยนล ง, นลงก็วิ่งพลั้นเพื่อแสดงสถานะเฮื้อซื้อหาสิ่งดอนนั้นแล้วเขาก็ได้เงินไปเรื่อยๆนะฮะร่ำรวยไปเรื่อยๆ คนรวยก็รวยขึ้นรวยขึ้นนะคนจนก็ก็จนแพร่กระจายแพร่ขยายออกไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะจิตใจมันอ่อนไหวต่อการโฆษณาแต่ถ้าเรามองการโฆษณาไปเลยเนี่ย ม, มันมันมันไปยกระดับชีวิตคนไว้ในจุดที่ฟุ่งเฟือย ไม่ใช่จุดที่เรียกว่าอยู่ดีมีสุขนะที่จริงมันจุดฟุ่มเฟือยต้องการแสดงสถานะอาหารเต็มโต๊ะนั่งกินกันสองคนกินอะไรไม่ได้ทั้งมากมายแก่กองอย่างนั้นรถคันนึงพูดเป็นล้านล้านบ้านพูดเป็นสิบล้านหกสิบล้านไม่มีทําไมบ้านใหญ่ขนาดนั้นคือคนไม่ได้คิด่มันก็ดินกันไปเพื่อสร้างให้ดินแต่ว่า พวกลงทุนโฆษณาหเหล่านี้เขาก็ได้ประโยชน์จากการที่คนอื่นคนรับสื่อตัวนี้ไปเชื่อถือเขาก็ยังมองถึงถึ ง, ถ, งถึงการเรียนการสอนในในปัจจุบันเวลานี้ก็เกิดเกิดมองเอยข้อสอบแบบปรนัยเนี่ยมันดีแต่ไม่ดีนอกจากมันออกกระจายทั่วได้ทั้งเล่มแล้วเนี่ย มันมันมันยุคสมัยของเราเนี่ยเป็นยุคสมัยวินิจฉัยศาลมากกว่าที่จะสื่อสารคือรับฟังข่าวสารจากบุคคลอื่นที่ที่ต้องคิดมากที่สุดก็คือว่าพวกสื่อสารเนี่ยมันมันส่วนมากเป็นเด็กค่อยงจะอ่อนร้อยบุติภาวะมีประสบการณ์ไม่ได้กว้างขวางอะไรทอะไรถึงเราผิดกับของพระ朗พระรังเนี่ยนักข่าวแต่ละคนอายุเยอะเลยมันมันภูมิฐานน่าเชื่อถือ แล้วก็เราเอาเด็กออกหมดเลยแน่นอนนะคงจะมีไอ้คนเขียนอะไรต่อะไรให้สคริปต์สคริปตให้นะฮะแต่บางทีเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าตัวนำสารเนี่ยมันมันไม่น่าจะเชื่อถืออะไรเลยแต่คนก็เชื่อเพราะงั้นทํำยังไงถึงจะมีภูมิปัญญาในการวินิจฉัยสารที่ออกมาจากสื่อต่างๆมากมายแลือเกิดเรารับสารทุกวันแล้วก็เยอะแยะไปหมด แล้วเป็นของกลุ่มผลประโยชน์ส่วนใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงต้องมีปัญญาเข้ากำกับหมดทุกจุดในข้อต่อไปจึงทรงใช้คําว่าสติสังวรคือสํารวมด้วยสติในการจะสํารวมระดับศีลก็ต้องมีสติสํารวมระดับอินทรีย์ก็ต้องมีสติสํารวมระดับขันติก็ต้องมีสติสติจึงต้องใช้หมด หมายความแลลึกรู้อย่างพิจารณาอย่างเนี้ย ส, สมมติว่าเราจะซื้อหาหรือเ ข, อโขาขโฆษณาโฆษณาก็เรื่องของโฆษณานะฮะเนเรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่ว่าในการตัดสินใจวินิจฉัยไปซื้อหาไปซื้อเสื้อตัวหนึงเป็นหมื่นหลายหมื่นวันก่อนยังยังติดใจไม่หายรัฐมนตรีก็ไปเลี้ยงเนี่ย เหล้าขวดลดะเท่าไรแปดพันแปดพันเอ้ยไม่ใช่แปดพันแปดหมื่นแปดพันใช่แปดพันเไปเลี้ยงพกเงินไปแสนนังว่าไม่พอจ่ายมันกินเหล้าอะไรคืนน้นตั้งแสนเอาเงินไปจากไหนอันนี้คื อ, ค, อคือเราจะเห็นว่า มันไปชื่นชมพุ่งเฟอือกับคนที่ ท, ที่ที่เป็นอย่างนั้นแล้วคนเหล่านั้นจะได้รับนำมาเป็นข่าวเคยเปิดหนังสือเคยให้เด็กไปหาหนังสือไ้คลาสมาดูไ้คลาสมันชื่อซะใหญ่โตอะไรเงี้ยเอามาอ่านอ่านดูเอ๊ะก็แสดงว่าไรคลาสเขากำหนดด้วยความเด่นดังทางสังคมคล้ายกับเป็นเป็นชนชั้นเป็นชั้นหนึ่งนะฮะของสังคม โดยกําหนดที่เศรษฐกิจไม่ได้กําหนดที่คุณธรรมมันผิดโครงสร้างพระพุทธศาสนานะฮะโครงสร้างพุทธศาสนาไม่ได้กําหนดที่เศรษฐกิจแต่กําหนดที่คุณธรรมเปลี่ยนนะฮะกำลังเปลี่ยนไปสู่กระแสของของสังคมที่มีการปลุกราวกันด้วยเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายผลสติจึงต้องใช้มากต้องระลึกทันต่ออารมณ์ทั้งหลายแนวเหล่านี้เราก็จะมองกลับไปที่ ควาไม่ประมาทในที่ศีรษะานอันนี้รวมเลยนะรวมโลกไปเลยหมายความมาดูที่จิตจังอื่นเลิกพูดเลยดูที่จิตอย่างเดียวระวังจิตอย่าให้กำหนัดระวังจิตอย่าให้ขัดคือระวังจิตอย่าให้หลงระวังจิตอย่าให้ประมาทเท่านั้นเองจังอื่นไม่ต้องพูดแล้วตรงนี้เรียกว่าปิดตายหมดเลยเพราะอะไรเพราะกิเลสมันก็มีอสี่สายเท่านั้นเองที่จริงมันสามสายนะสามสายแต่การประมาทมันพร้อมจะปึกจะจะเกิดกิเลสมเพราะนั้น คำว่าประมาทระบงังจิตย้าประมาทก็คือตอกย้ําิยญาประมาทนะโลภนิดเดียวก็ไม่ได้เพราะอะไรพราว่าโลภนิดเดียวเมื่อเมื่อ เ, อเอช้านี่อ่านข่าวไอ้อะไรไม้ไยสันมันมันนึกปั๊บตันทีว่า น, นี้มันชั่ววูบอารมณ์นิดเดียวมันดับอนาคตของมันมันสัมภาษณ์ว่าตกคงต้องเลิกเพราะตอนนั้นนะอายุ29แล้วคงเป็นนักมวยไม่ได้คือเราเห็นได้ตันทีว่าไอ้วูบขออารมณ์นิดเดียวระยะสั้นสั้นไม่กี่นาทีนะ มันทำลายอนาคตของคนคนหนึ่งแล้วก็ทำลายผลประโยชน์มหาศาลที่เขาจะได้จากการเป็นนักมวยแล้วก็พั ก, พกเพื่อนผูงวงสาคณะญาติที่จะได้จากเรื่องเบานี้มันหมดไปเลยด้วยบูบของอารมณ์แต่คนไม่ได้คิดเพราะบูบ อ, อารมณ์หล่านี้ที่จริงไม่มีอะไรไร้สาระมากมากแต่ก็เป็นไปแล้วนั่นก็คือตัวอย่างของของบูบอารมณ์นะที่ขาดการขาดสติ เป็นเครื่องเหนียวรั้งใจแต่ว่าตัวอย่างเหล่านี้มันมันไม่ค่อยเป็นตัวอย่างคือคนไม่ค่อยคิดในเรื่องเหล่านั้นไม่ได้คิดว่าทำไมแกจึงทำอย่างนั้นมันก็มองแต่ว่าคือคือคือไม่ได้สาวถึงสาเหตุว่าสาเหตุอย่างนี้ที่ยิงภายในใจเราก็มีแต่ที่เราไม่เป็นอย่างที่เขาเป็นเพราะเราหยุดมันไม่ได้ แล้วถ้าช่วงใดที่เบื่องหยุดไม่ได้บรรเทาไม่ได้สงบไม่ได้ระงับไม่ได้มันก็ไปเหมือนกันนะนั้นทํำยังไงถึงจะมีสตินี่ เ, นเหนี่ยวรังใจระลึกรู้ทัน อ, อารมณ์เหล่านัก็เรียกว่าสติสงังวรต่อไปก็ญาณสงังวรสํารวมด้วยความรู้ไอ้นี้ตัวตัวใหญ่เลยนะฮะหมายความว่าตรงนี้ที่จริงจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันก็อาศัยการปฏิบัติตามอริยมรร จนเกิดเป็นตัวความรู้ขึ้นมาความรู้มันจะเหมือนกับแสงสว่างมันความมืดมันเกิดไม่ได้เลยตราบเท่าที่แสงสว่างยังอยู่ทีนี้ถ้าแสงสว่างมันมีชั่วนิรันดร์พอ ม, มืดก็เกิดไม่ได้ช่วนิรันดร์ก็เหมือนกับความมืดไม่มีที่ดวงประอาทิตย์มันไม่มีช่วงนิรันดร์ตราบเท่าที่ดวงอาทิตย์ยังมีอยู่จิตใจก็เป็นคลที่สว่าง ที่มีปัญญานะฮะที่มีปัญญาที่มีความบริสุทธิ์ที่จริงก็มีปัญญาอย่างเดียวก็พอแล้วนะฮะเพราะความบริสุทธิ์กับความไม่ตากาุณามันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญญาตัวนี้ก็เป็นตัวหลักที่อย่างอุปมาให้ฟังว่ามันเหมือนกับน้าในสระที่ใสสะอาดสิ่งสกรปรกตกลงไปมันก็สลายคือ ท, ทำอะไรไม่ได้ ก็น้ำปริมาณมากแต่ว่าดูไม่ค่อยชัดนะฮนะเพราะว่าปัจจุบันแม่น้ำเจ้าพญายัางเน่าเลยตัวนี้เวลาเวลานี้ยังนึกนึกอยู่ไอ้ตัวอย่างโบราณที่ท่านสอนไว้เนี่ยมันมันหายไปเยอะมันเอามาใช้ไม่ได้ไม่มีฝอยหมาไม่ขี่เดี๋ยวนี้หมาวัด ว, วอนขี้เต็มถนนหมดเลยไม่มีฝอยเลยกติโบราณเลยเอามาใช้ไม่ได้ไเป็นยังไงมันวิปริตชอบกฎเนี่ยนะฮนะวิปริตชอบกฎ ในขณะที่อัดเทพตอนนี้จริงมันเดินสิบเอดเนี่ยหมาจริงมันเดินสิบสองเรารู้ว่าหมาเดินสิบสองตอนนี้อัดเทพเมื่อคืนเนี่ยนะทําเทพจนถึงตีสองอัดเทพธรรมารถถามับทำดนตรีที่ที่ทําใหม่ไปได้ไปนหน่อยเดียวหมามันเห่าขอนส่งต่อกันยาวเหยียดเลยแม่ทาไมคุณท่านทําไมมันเล่นกันงดึกอย่างงี้ป่ <laughs> ากฏว่าหมามันผิดระดูเนี่ย นี่คือวความวิปริตโลกมันวิปริตไปเยอะแล้วดูอาการทั้งหลายที่โบราณนั้นพูดไว้เนี่ยมันปิดไปเยอะน้ําขึ้นในรีบตักก็ตักไม่ไหวแล้วเหม็นหึ่งเดยมีสิ่งโสโปรกเต็มหมดมันก็แปลกไปเยอะนะคติโบราณถ้าเราลองวิเคราะห์แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันอาศัยธรรมชาติล้วนๆแต่นี้มันสิ่งแปลกปลอมจากธรรมชาติมันปลอมปนเข้าไปในธรรมชาติเนี่ยทำให้เกิดวิปริตในธรรมชาติ เพราะในคติเราเรานั้นเลยเอามาใช้ไม่ได้ในบางกรณีซึ่งก็หมายความไนหมายความสติก็ต้องเพิ่มขึ้นทีนี้อาจากจากสังวรทั้งห้าเนี่ยจากศีลจากการสารวมระดับสีระดับอินทรีระดับกันติระดับสติและด้วยญาณซึ่งเป็นตัวตัวหลักที่สุดเนี่ยมันก็ดูที่ว่าได้ลดละหรือไม่เพราะฉะนั้นคำว่าละเนี่ยไหม หมายความว่าเราต้องมองเห็นว่าเราได้ลดกิเลสลงไปได้ละ ก, กิเลสลงไปเพราะอะไรเพราะว่าไอ้สีเนี่ยบางทีมันเป็นศีลัพตะประมาได้สติมันเป็นมิจฉาสติได้นะญาณเองก็เป็นมิจฉาญาณได้คือมันผิดได้อย่างของรัศปูตินเนี่ยที่จริงแกก็เป็นเหมือนกันนะแต่มันผิดหมดเลยแทนที่จะลดกิเลสแกเพิ่มกิเลส เกจากนักบวชเล็กๆจนใหญ่ในวังพระเจ้าสาไปได้เห็นไหมว่าถ้าถามมาตรงนี้แกมีไม่มีจะมีผิดหมดถ้าจึงดูว่าการละกิเลสคือเห็นกิเลสเนี่ยละลงไปลดลงไปอย่างน้อยก็เห็นลดแลยนะฮะแล้วใครจะเป็นคนดูเป็นคนรู้เป็นคนเห็นเราเองทั้งหมดเนี่ยเราเอง ไม่ใช่การอาศัยการสังเกตด้วยการบอกกล่าวด้วยการตรวจสอบจากคนอื่นแต่เราต้องรู้ด้วยใจของเราเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่ไม่รู้เห็นเองในบางทีมันเป็นการเสรียแซงเอาก็ได้นะฮะมารยาวก็ได้เสียแซงทํำเป็นไม่โกรธทั้งที่ว่านั่งกัดควันกรอดๆอย่างนี้ทำเป็นไม่โกรธก็ทําได้เสียแซงเงาเนี่ยเพราะอย่าลืมว่า อาการของกิเลสบางอย่างเนี่ยมันสวยงามกับอาการของธรรมะได้ทำไปโดยเฉพาะพวกมายาพวกโอ้อวดพวกแข่งดีเนะี่ยมายาโอ้โอวดแข่งดีหรือบางทีก็มาน่าเนี่ยพวกแข่งดีมันก็เหมือนกับแฟชั่นโชว์นะฮะแฟชั่นโชว์ทำกันปรุงกันสาธิตกันซ้อมกันเต็มที่แล้วมาแสดงก็ทำให้คนที่ไม่เข้าใจว่าอันนี้คือแฟชั่นโชว์เท่านั้นเอง ก็ไปหลงไปยึดไปติดไปเข้าใจามันเป็นอย่างนั้นทั้งๆ ท, ท, ที่จริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเรียนางแบบก็ค่าจะเป็นแบบนะที่จริงมันสแสดงแบบแต่เด็กมันไม่ใช่เป็นแบบมันสแสดงฮะมันเรื่องสแสดงการแนวแฟชั่นโชว์ที่จริงก็ถูกกันนะแต่เพียงเราไปไปยึดติดตราเองเพราะเขาก็บอกตามความจริงและการละเนี่ยก็อาศัย พวกนี้แหละพวกญาณพวกปัญญาเนี่ยพวกสติเราจะเห็นว่าญาณ ก, ก็คือปัญญานะฮะญาณ ก, ก็คือปัญญาที่จะมองเห็นโทษของสิ่งที่เป็นโทษแล้วก็การลดละอย่างน้อยที่สุดเดีย่ยเพราะชีวิตเราถ้าหากว่าละพวกอบายามุกได้นะะบายามุกได้แล้วก็แสดงกิเลสลดลงไปเยอะ พระที่จริงแล้วอบายามุขมันก็อยู่ของมันเน่ยแต่การที่เราวิ่งไปสู่อบายามุขเวลานั่งไปนั่งรถไปกลางถนนมันก็นึกนึกว่าไอ้คนเนี่ยมนหาเรื่องเดือดร้อนจริงบ้านอยู่ตั้งไกลรถก็ติดอุตสาหนั่งทอไปกินข้าวไปกินถึงพุทธมนตร น, นะฮะคนในกรุงเทพเนี่ยปินข้าวถึงพุทธมนตรเพราะมันเด็ดขาดจริงๆไง เรื่องในตัวเองเดือดร้อนนะะมันก็อะไรนักหนาเรากินที่ไหนมันก็แค่อิ่มแต่นั้นเองแต่ว่าเพราะอะไรเพราะตามใจตามใจปากแต่ตามใจที่จริงมันก็ถูกปรุงถูกโฆษณานะฮะมาโฆษณามาสาธิตมาแสดงกันแล้วก็ส่วนบ้านของโฆษณาดีๆทั้งนั้นเนะีะฮะบอกว่าดีทั้งนั้นก็ดีไม่ดีเราก็ต้องอยากลองล้ว่าดีจริงหรือไม่ดีจริงที่ทุกคนดังลองเนี่ยตอ น, น, นมามาอยู่ ตอนนั้นที่ที่ตึกแถวบางลําพูเนี่ยเขาเขาเขายังไม่รือ้อตัวนะเราเห็นร้านร้านนะฮะรู้สต๊อกตลอดระยะเวลาเลยผ้าเนี่ยแกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกรู้สต๊อกลดครึ่งราคารู้สต๊อกปราตาบอกก็ลดพงพางก็ไปเรื่อยพอผ้าเก่าแกเปลี่ยนใหม่รู้สต๊อกทุกวันเลยนะรู้สต็อกทุกวันคนก็ไปเข้าใจ ว่าตัวเองได้ซื้อสินค้าราคาถูกก็เข้าไปอ่ะก็โดนรู้สต็อกจะย่ําแย่ไป น, ะนี่ ก, ก็คือก็คืออะไรคือมันอ่อนไหวไปตามแรงโฆษณาโดยขาดสติโดยขาดสัมมาัญญาปินิปิจนาแต่การการมองการลดละเนี่ยแล้วก็แนวที่เคยยกตัวอย่างว่าเหมือนกับดัดสอนหรือว่าเหมือนกับถูพื้นเหมือนกับซักผ้าเหมือนกับอะไรเนี่ย ธรรมแนวขัดกล่าวเราดูความจางไปคลายไปของสิ่งสุกปรกพระเราทำทั้งหมดเนี่ยเจดรียผ้าก็ต้องการขาจัดไอจุดที่มันมั น, ม, นมันยับยู่ยี้อยู่มันก็ดูว่ามันหายับอะไรอย่างพอหายับเราก็รีดรีดไปตรงอื่นมันก็เรื่อยๆเป็นวิถีธรรมชาตินะเป็นวิถีแบบเดียวกับที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทั้งหมดที่เราทําในธรรมะทํำอะไรกินอาหารก็เพื่อขจัดหิวก็ดูว่าหิวมันลดไหม พอยิวมันลดลงไปถึงจุดหนึ่งเราก็เลิอกอาซักผ้าดูมันสะอาดไหมถูพื้นดูสะอาดไหมอ่าหนนะังสือดูเข้าใจไหมเห็นไหมเราจะเห็นว่าลดความไม่เข้าใจลงไปก็ดูการลดตัวนี้มันก็ดูทุกเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเลยเปิดแอร์ขึ้นมาพัดลมขึ้นมาต้องการอะไรต้องขัดการขจัดความร้อนก็ดูว่ารอบมันลดแล้วหรือยัง ถ้าเปิดพัดลมอาจจะเบอร์หนึ่งอา้าหนึ่งยังไม่ลดก็เพิ่มสองเพิ่มสามแอแต่เนี่ยมากไปมากไปเราก็ไปลดไปลดความไปลดพัดลมลงไปนี่ก็แสดงว่าการตรวจสอบเป็นแนวนี้มันเราก็มีอยู่ตลอดก็ใช้โครงสร้างเดียวกันไปดูที่การละของเราว่าสิ่งที่ควรละเราล ะ, ล ะ, ละแล้วหรือไม่ ก็ขัดเกลอกันไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยแต่ว่าจริงๆนะฮะสมบูรณ์ท่านจะเห็นว่าเวลาละนี่ก็ท่านท่านแสดงไปหลายชัน้นนะท่าสรุปว่าประวัณสามชั้นเรียกว่าตทังกะปะหานะคือละในขณะนั้นนั้นละในขณะนั้นนั้นเกิดโกรธขึ้นมาก็ข่มความโกรธไว้ได้เกิดริษยาขึ้นมาก็ห้ามใจไว้ได้ก็ด่าขึ้นมาขยับแต่โกรธแต่ก็ข่มความโกรธไว้ได้ อย่าถือส า, าความเรื่องคนบ้าอย่าไปสนใจมันอะไรต่ออะไรเนี่ยเราเร า, เราก็ถือเราละกิเลสได้ในขณะนั้นๆแต่ไม่ใช่จริงไงนะไม่ใช่ละได้ขาดแต่เราก็หยุดความชั่วตัวเองไว้ได้ในขณะนั้นอย่าหนึ่งก็เรียกว่าละโดยระดับของกรรมฐานเรียกว่าตัดทางไอวิคัมพะณะปะหานหมายความว่าคือตัวบาลีไม่ต้องไปจํามันะแต่ว่าเขาต้อบอกไว้เพราะว่าเป็นเรื่องพระพุทธวจนะ คือคำว่าหน้าประหารก็คือข่มกิเลสไว้ด้วยกําลังของฌานเราดั้งสมาธิเราจะเห็นว่าวิธีเรานี่หน้าที่ของเราคือทำสมาธิแต่นั้นเองแต่พอสมาธิเกิดเนี่ยเขาก็สงบกิเลสให้ก็สงบไว้ได้เท่าไรก็เท่าที่เขาอยู่นะตอนที่เขาอยู่เมืออกี่ไรเมือนก็เย็นเขาก็จัดร้อนให้เท่าที่เขาอยู่พอเย็นหมดไปร้อนเขาก็เกิดอ่ะก็ไม่ใช่เป็นความผิดของเย็นเพราะตอนนั้นเย็นไม่อยู่แล้ว ไม่ใจอเย็นนะม า, ม, มาความเย็นนะ ก, ก็อยู่ที่อนสภาพเราเนี่ยคล้ายๆกับพื้นที่มันมันมันโกระปรกเราเสื่อมาคลุมไว้เสื้อมันจะทําหน้าที่ปิดโกระปรกไว้สาบเท่าที่เขาอยู่นะพอเรารื้อเสือออกมันก็โกกระปรกมันเดบอันนี้จริงก็นานนะนานก็สาบเท่าที่เสือยังอยู่แต่เสือในเราวางไว้ได้ปัญหาว่าสมาธิเราต้องทําต่อถ้าไม่ทําต่อมันเสื่อม อต่อเสริมแล้วก็ทําให้ได้ด้วย que. พราะเขาเกิดเขาก็สงบกิเลสให้เราศาบตร์ใดที่เขาอยู่กิเลสก็ไม่เกิดขึ้นแต่พอเขาไปนะกิเลสก็เกิดอันนี้ก็ต่อสู้กันแล้วก็ช่วงที่เราชนะที่ยิงมันก็นานขึ้นประการต่อไปเขาเรียกว่าสมุดเฉดตาปะหานคือตัดขาดเลยละปะหานะฮนะแต่ว่าเวลาอ่านก็อ่านปะหานก็ตัดขาดไปเลย ทีนี้อาการการตัดขาดไปเลยตัดขาดจริงๆรงคงยากนะฮะมันก็แนวตัดขาดเราจะเห็นว่าศีลเนี่ยพระเจ้าก็ชูดผู้รสสมุทรเฉตวิราชเหมือนกันหมายความว่าไม่ถึงกับมีศีลห้าครบหรอกแต่ว่าชีวิตเราเนี่ยที่จริงเนี่ยจำเป็นไหมต้องดื่มเหล้ามันไม่จําเป็ น, นเลยเราก็ตัดขาดตรงนี้ซะ ก, ก่อนไม่ดื่มเหล้าตลอดชีวิตแต่ จำเป็นไหมที่จะต้องประพฤติผิดในกาลเลวร้รยรายมากตัดขาดเลยจำเป็นไหมที่จะต้องรักของคนอื่นเราจะเห็นว่าสามข้อนี้ค่อนข้างทําง่ายค่อนข้างทําง่ายแต่ว่าปาณาติบาชักยุ่งนิดหน่อยกับอทินาทานคืออดโกหกไม่ได้มันทีก็โกหกใครไม่โกหกก็โกหกพ่อแม่ก็เอาคือคือคือเอายังไงก็เอาสักข้อก่อนเอาไว้ได้สักข้อก่อนสุราในค่อนข้างจะง่ายกว่าเพื่เอาไม่เอาสุราเลยกัน แล้วอาทินาทานที่จริงมันก็เสียงนะเสียงตกคุกเสียงดะ ร, รางกาเมรนี่ก็เสียงมากเลยปนานาทิบาถ้าตัวไม่ใหญ่มันก็ไม่ค่อยเสียงเท่าไหร่ก็เอาเอาเอาตรงนี้ไปก่อนเอาปนานไอปานาทิาบาบอาทินาเอกับมุอสาวาตไว้ก่อนเอาสามข้อให้ได้ก็ได้กะแนนอย่างเราก็ตายไปเรื่อยๆไอ้นี่ก็ที่จริงก็คือละละขาดเป็นการละขาดไม่ดื่มสุราขาด นะไม่ไม่ขโมยเด็ดขาดหรือไม่ประพฤติผิดในทางการเด็ดขาดก็3อย่างได้สอย่างต่อไปเราก็แก้เดี๋ยวนคือลดพวกสัตว์ใหญ่ๆลงมานะอาจจะไปลูกทํามดตายบ้างหรืออะไรบ้างก็ดีกว่าไปฆ่าสัตว์ใหญ่นะไม่ใช่ไม่บาปนะฮะแต่ว่าบาปน้อยกว่าเราก็พยายามลดๆลงไปนี้ก็คือแนวที่เรียกว่าตัดขาดไปเป็นตอนๆซึ่งว่ากันตามความจริงพระยาบุคคลถ้าก็ตัดขาดเป็นตอนๆ น, น, นะนะถ้าไม่ทําได้ทีเดียวหมดอ่ะ เรตากาเป็นตอนๆแต่บางทีท่านก็ทําได้เร็วก็เร็วก็เหมือนกับเหมือนอะไรเหมือนกับความลมลมเย็นที่เก็บมาเร็ ว, รวมันก็ขจัดความร้อนเร็วออกไปได้เร็วกําลังเข้ามากกําลังเข้ามากก็จะได้มากมันเกิดเปิดแอรพร้อมๆกันทั้งห้องมันก็ขจัดความร้อนได้เร็วนั่นเองอีกระดับหนึ่งก็เรียกวิราคะวิราคะนั้นคือคื อ, ค, อคือจิตที่มันคลายกับนัด ตกลงว่าสำรวมนะแล้วก็ละแล้วก็วิราคะวิราคะเป็นผลก็ได้เป็นเหตุก็ได้ในที่นี้แสดงในรูปของเป็นเหตุเพราะว่ามันมีนิโรธะอยู่ข้างหลังหมายความว่าวิราคะก็คือจิตที่มันปราศจากราคะโลภโทสะโมหะนะแต่ท่านขึ้นวิราคะท่านก็ไม่ค่อยเรียกวิโทสะหรอกแต่ท่านเรียกว่าวิราคะ ทำไมจึงเรียกวีรค่ะมื่ต้องมองกลับมาว่าการเทศส่วนใหญ่ในสอนพระพระนั่งฟงังพระนี่ต้องเน้นย้ำกันบางทีก็อบรมเช้าเย็นกันเลยนะเพราะนนั้นคำเนี่เราไปเจอในพระสูตรส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเป็นพระเป็นพระนั่งฝังหรือพระนั่งอยู่ข้างหน้ายมนั่งอยู่ข้างหลังเวิเราพูดผมก็พูดกับพระนะภิกษุทั้งหลายก็ใช้คำอย่างงี้ที่จริงก็ก็ก็กกกหมหาวามสอนคนทุกคนนั่นแหละบางคนทุกคนนั่นแหละ แต่ถ้าชาวบ้านล้วนๆพระเจ้ากระชายชาวบ้านชาวบ้านล้วนๆอันนะนี้มันก็อยู่ที่สปปรรพนามไม่ต้องมาติดใจตัวสปปรรพนามที่เรียกในขณะนั้นๆ น, น, น, น, น, นธรรมะก็คือธรรมะเพราะงั้นคาว่าวิราคะก็คือจิตบรรไครราคะลงไปวิราคาแท้จริงแปลว่าปราศจากราคะนะไอ้ปราศจากทีเดียวของยากหน่อยคือหมดราคะไปเลยนะี่ยของยากหน่อยมันก็ก็ เ, เรียกจางไปคลายไปบรรเทาไป โทสะจางไปคลายไปบรรเทาไปโลภะจางไปคลายไปบรรเทาไปโมหะจางไปคลายไปบรรเทาไปที่จริงถ้าก็จางก็จางหมดนะนะจางจางหมดด้วยกันเคยลอ ง, ลองสังเกตว่าระดับของโลกียธรรมที่ท่านพูดระดับศีลเนี่ยนะพูดระดับศีลที่จริงเราก็มีโรคปวดหลงนะฮะโรคปวดหลงอยู่เรียบร้อยนะฮะสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ไปได้ว่าอะไรกัน แต่ให้ลองสังเกตว่าสมมุติว่าโลภะเนี่ยนะโลภะที่มันแรงเนี่ยมันจะไม่ยอมกันแล้วในที่สุดจะไม่มีคนได้หมายความคนจะแย่งของกันก่อนต่างคนต่างอยากได้แล้วก็แย่งกันด้วยอํานาจของโลภะแล้วในในที่สุดก็จะโกรธฝ่ายหนึ่งแล้วก็ฆ่ากันแล้วการจบลงด้วยไม่มีคนได้นั้นแสดงว่าโลภะมันแรงทีนี้ถ้าโลภะมันลดลงเนี่ยสมมติเราไปเจอของขา้าวของที่เขาให้แล้วให้แบ่งกัน ทีนี้คนบางคนเห็นแกนตัวไม่ยอมแบ่งไลไม่ยอมแบ่งก็ต้องทำลายคนหนึคนหนึ่งคือต้องประกอบอาชญากรรมหรือต้องฆ่าคนแล้วตัวเองก็ไม่ได้สำคันคือติดคุ ก, กทีนี้ถ้าเราเกิดปนิปนอมกันได้เราจะแบ่งเราจะแบ่งกันก็แสดงว่าถ้าแบ่งกันได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยตรงนั้นก็จบตรงนั้น แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าเราได้มากไปเราสามารถเฉลี่ยคนอื่นได้สมเคราะห์นื่นได้เห็นหมที่งโกรธพระก็มีแต่เราอยากอยากมีชื่ออยากมีพวกอยากมีชื่อเสียงอยากได้รับความสุขและแต่เราก็เฉลี่ยแบ่งปันคนอื่นเป็นสังคมนะฮะเป็นความสงบสุขภายในสังคมถามาโลภไม่ก็โลภเรียบร้อยก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ว่าสิ่งที่เราโลภนั้นมันประนีตขึ้นแล้วก็มองในทิศทางของความโลภคือคุมความโลภได้จะให้บังคับไปไหนเนียเราคุมได้แค่ก็เราคุมไฟได้นะเราก็ใช้ประโยชน์จากไฟได้คุมน้ำได้เราก็ใช้ประโยชน์จากน้ำได้แต่วันไหนที่เราคุมน้ำคุมไฟไม่ได้ก็พังทั้ทีนะจิตใจเราก็เหมือนกันเพราะงั้นตรงนี้จะเห็นว่าที่จริงแล้วก็คือโลกโดของยังมีเพียงแต่เราคุมมัน คำสามีที่แปลสามีจิตปฏิปโนปกโตสาวกสังโฆน่ยสามีคํานี้ที่จริงก็แปลว่านายอะนะก็ก็ก็นำมาเรียกสามีปัญญานะคำเดียวแค่นี้ถ้าเรียกพระก็เรียกเรียกชื่อสรัพนามเรียกพระอย่างอินเดียเรียกตัวันกษมีิจิสษมีจีก็คือสามีก็ผู้ใหญ่เขาเรียกผู้ใหญ่เรียกผู้ใหญ่เรียกว่านายเรียกว่าสามีก็เรียกชื่อเยอะเลยคําเดียวหมายความว่ามันใหญ่ตัวนี้เป็นนายตัวนี้คือนายนายเหนือกิเลส เห็นไหมสามีจิตปฏิบโณปกติสาวกสังโฆเป็นนายเหนือกิเลสเป็นอิสระจากกิเลสเป็นใหญ่เหนือกิเลสเพราะว่าคุณสมบัติจริงๆก็เป็นของพระอาหารหันต์แต่เราก็ใช้เป็นนายคือบังคับบังคับกิเลสเธอยังโกรธอยู่เธอยังโลบอยู่แต่ว่าทํำยังไงว่าอย่าให้มันแรงก็หมายความว่าก็จางลงไปเยอะนะฮะมันก็คลายอยาอกมาเยอก็เป็นวิราคะวิโทสะวิปหุหะ เป็นการจางไปคลายไปบรรเทาไปก็ราคาโทสะโมคใครเห็นเราเห็นแต่ที่จริงเราสะท้อนทางอาการทางกายธรรมจออกม า, า, มาก็ทําให้คนอื่นเห็นด้วยเป็นอาการที่ปรากฏที่มันมันเราจะเห็นว่าพระสังฆ ค, คุณที่เราสวด น, นะสุปฏิปโนชุปฏิปโนยะปฏิปโ น, าปปโนสามีจีปฏิบุรที่จริงท่านเห็นแต่นี้ท่านทาจนเป็นปกติเราเห็นเราเห็นเราก็เกิดเห็นว่าอาหุนโยปาหุนโยเห็นไหม มันก็เกิดเออมันควรคำนับคนตดอนรับควรทาบุญควรทำอัญฉลีก็แสดงมาจนเราเห็นต่อไปนั้นคือนิโรธานิโรธาแปลว่าแปล ว, ว่าดับมีมีท่านผู้หนึ่งถามว่าแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแปลว่าไม่มีสิ่งเสียดแทงอุปมาเมื่อใดอุปมาเหมือนฝีฝีกัดหนองมันมันเสียดแทงนะมันแทงตรงไหนแทงตรงมีหนองมันอัดไว้ถ้าเร า, เาหนองออกมันก็ไม่เจียดแทง เหมือนกับลูกศรที่กำทราบดียาพิษมันก็ตามเราเราถอดออกแต่มันก็ลูกศรก็ไม่เสียแทงเพราะอะไร้คำว่าเสียดแทงก็คือก็คือสมัยโบราณมันดูง่ายอะนะก็ยิงลูกลูกสอนแทงด้วยมีดอะไรแต่ฟันมันก็เสียแทงแต่นันก็เจ็บปวดโรคเริ้อีกเขาเรียกว่าเสียดแทงเราก็ถอดเดี๋ยนี้ออกแค่เรความโศกเราเกิดขึ้นความโศกมันก็เสียแทงใจเราให้เกิดทุกข์ ระดับความสุขมันก็อาการเหล่านั้นมก็หายไปความสุขจึงเป็นเหมือนลูกศรเพราะงั้นตรงนี้บางทีอุปมากลุ่มทุกนะฮะว่าเป็นเครื่องเสียดแทงบางทีอุปมากรุ่มกิเลสทุกคนเห็นว่าโลภ ก, ก็เสียแทงตัวก็เสียแทงริษยาก็เสียแทงหลงก็เสียแทงเงงะงะไปหายไปเลยที่ที่ความทุกข์ทั้งหลายมันเสียแทงแต่นั้นความสุข ก, ก็ดีการพลาดพลาดก็ดีการสูญเสียก็ดีมันเสียแทง เวลาพูดเราพูดน okay, okay, uh ิพพานเราจึงพ really ูดอะไรดับเพลิงก name ิเลสและเพลิงทุกเห็นไหฮะดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกดับอะไรก็ดับสิ่งเสียดแทงแล้วสิ่งเสียดแทงเราก็เรียกว่าอะไรเรียกว่านิโรดนิโรดแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีสิ่งเสียดแทกนะมีสิ่งเสียดแทงที่ออกและที่จริงเป็นภาษาธรรมดานะฮะเป็นภาษาธรรมดานั่นทีก็เป็นยี่ห้อสินค้านะที่อินเดียก็ยังใช้นะฮะคำคำคำนี่เป็นภาษาเป็นภาษาใช้ธรรมดาแต่เราใช้ในความหมายศาสนา ภาษาธรรมดาว่าอะไรพอถอดน้ําออกวันนี้รอดละน้ําตามพอถอดน้ําออกวันนี้รอดล้วที่เขาใช้ก็ใช้ธรรมดาแต่เราใช้ในความหมายนี้ใช้ในความหมายว่าทุกมันไม่ใช่กิเลสมันหายไปก่อนแล้วก็ทุกมันหายไปทีนี้ก็จะหายไปขนาดไหนก็ก็อยู่ที่ว่ามันมันจางไปคลายไปบรรเทาไปขนาดไหนจุดมุ่งหมายสูงสุดอย่างที่เคยบอกว่าธรรมะทั้งหมดพระพุทธเจ้าแสดงถึงนิพพานหมดเลย แต่ละข้อนะฮะแต่ละข้อที่นํามาบรรยายไว้ในเทปก็เหมือนกันที่จริงแต่ละชุดนี่มันถึงนิพพานนะในภาคปฏิบัติเพียงแต่ว่าเรารวบรวมมาจากการแสดงในแต่ละครั้งของพระพุทธเจ้าแล้วผู้ฟังในขณะนั้นก็บรรลุมรู้นิพพานกันนะนะเราก็เรียน2อย่างเรียนในเชิงปริยัตอีกเรื่องหนึ่งนะเรียนในเชิงปริยัตมากเท่าไรา ย, ยิ่งดีเรียนในทางปฏิบัติไม่ต้องมากนะ เราเห็นว่าคล้ายๆกรารเรียนในการจะสร้างพืชหรือปลูกพืชพัฒนาพืช อ, อะไรเยอะแยะนะฮะตำหนักตำนาเป็นเล่มเป็่มแต่ตอนปลูกไม่นะฮะตอนปลูกที่จริงเราก็ปลูกลงไปเลยแล้วอย่างนั้นมันมาของมันเองมันมาของมันเองโดยธรรมชาติของมันนะเราก็มีหน้าที่ปลูกอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการไถนานะฮะการ คาดการปักดำการไหน้ําข้าวนาการทักน้ําออกจากนาก็เป็นเรื่องของชาตนาแต่การจะตั้งท้องเมื่อไหร่ออกรวงเมื่อไหร่สุกเมื่อไหร่นั้เป็นเรื่องของข้าวบันคนละเรื่องกันเราก็ทํำเฉพาะหน้าที่ของเราเมื่อทําแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นที่เราสร้างเนี่ยเพราะมันจะทยอยกัเ น, เ ป, นเป็นกระ บ, บวนการของเหตุผลเราสร้างเหตุ แล้วมันเกิดผลแล้วผลนั่นก็จะเป็นเหตุแล้วจะเกิดผลต่อไปเพรา ะ, ะทุกอย่างมันจะเป็นเหตุไม่ใช่จะเป็นผลก่อนนะทุกอย่างจะเป็นผลก่อนแล้วจะเป็นเหตุเพอไอเหตุเนี่ยเสร็จแล้วมันก็สร้างผลขึ้นมาผลนั่นก็จะเป็นเหตุต่อไปคล้ายๆกับผลไม้ทีที่พูดถึงอะไรไข่ไก่ ไ, ไกกับแม่ไก่นะฮะไก่กับไข่อะไรเกิดก่อน ที่จริงมันเป็นเหตุเป็นผลของการอะไรกรันถ้าเราจะพูดใอ้มั่วมันก็มั่วที่จริงถ้าไม่มั่วมันก็ไม่มั่วอะแต่เราต้องจับคู่ไอ้ไข่ใบไหนกับไก่ตัวตัวไหนแล้วแล้วจะรู้ทันทีเลยว่าอะไรเป็นเป็นเหตุอะไรเป็นผลเพราะจริงไข่นั้นเป็นผลก็ได้เป็นเหตุก็ได้แม่ไก่ควักไข่เออไม่ได้อรก็เรียกเรียกอะไรไข่ออกมานะไข่มันก็เป็นผลของแม่ไก่แต่พอพอลูกไก่ออกมาจากฟองไข่ไอ้ไข่มันก็เป็นเหตุของลูกไก่ ถ้าเราจับคู่ได้เราก็เห็นว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลก้ออะไรก็ตัดตอนเอาแต่จริงมันกระบวนของปัจจจการคือมันทยอยกันเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าความคิดในปัจจุบันนั้นไม่เป็นกระบวนกาฟังผู้แทนเขาพูดมาเนี่ยที่ตอบที่เดียกันไม่ค่อยเป็นกระบวนไม่ค่อยเป็นระบบอะไรเราก็นึกว่าบางอย่างมันไม่ได้ตอบเลยแต่ว่ามันอาศัยที่ว่าคนฟังเนี่ยมาอย่างนึกว่า ม, มันมาจากการอ่านหนังสือการ์ตูน อ่านหนังสือเป็นช่องๆเด็กนั่งหัวเราะการ์ตูนได้เป็นช่องๆโดยมองเห็นนึว่ามันเป็นกระบวนการอะไรมันมีความต่อเนื่องอย่างไงตรงเนี้ยเขาต้องการให้อะไรแต่ภาพสี่เหลี่ยมภาพเดียวเด็กก็นั่งหัวเราะได้แต่เราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจเราต้องเห็นเป็นกระบวนการทำไม่ทำไมทำไมเราต้องถามไปได้เรื่ๆเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดที่เป็นกระบวนการเราจึงเห็นว่าตรงเนี้ยจากการตารวจระวังนนําไปสู่การละจากการละนําไปสู่การจางคลายของกิเลส การจางกางกิเลสกิเลสก็ดับไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยๆถึงจุดตึงมันก็หมดในการปฏิบัติโดยสรุปของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่มองในแนวของการลดนะฮะมองในแนวของด้านละ ก, กิเลสมองมองจากด้านละของกิเลสแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นได้โดยตัวของเขาเองพอเห็นได้ปฏิบัติเป็นอาการปกติภาพนั้นก็สะท้อนออกมาทางการาการะ ท, ทํากันผู้คนอื่นก็เคยเห็น คนอ่ก็เห็นเขาก็ให้การยอมรับนับถือแต่ไม่ใช่เป้าของเราไม่ใช่เป้าของเราไม่ใช่ดิ้นไม่ใช่ดิ้นไปเพื่อสู่จงนั้นเขามาเพื่อเขานะเขามาเขามาเพื่อเขาเราจะเห็นว่าสังฆคุณห้าข้อเนี่ยนะที่จริงแล้วเพื่อเขาเองเขาเขาถวายทําบุญดักบาเขาก็ต้องการได้บุญเขาก็ต้อนรับอาหุนโยนะฮะเขาก็ทำนับเขาถวายของเขาก็ต้องการบุญรับท่านไปสู่สํานักเขาต้อนรับเขาก็ต้องการบุญครับ ถวายทานก็เป็นการบุญขอเขาไหว้เขาก็ต้องการบุญครับเห็นไหมเก็ถือว่าท่านเหล่านี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบุญญาเกตของโลกแล้วเขาก็ทําบุญก็ต้องการเขามันไม่ใช่เราไปเรียกร้องเขานี่ก็คือหลักการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาสมบพันธ์นี้เราข อ, อยิติไว้ได้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านสาวชนทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันทุกท่านถือ